เนื fifteen, usa, of of ่อยทำให้เกิดปัญหาเหนื rare, ่อรู้เ่าเข่าถึงหลักของธรรมะอันจริงจังแล้วถึงตายจะตาไปนยงก็ดไปกอบกอชาตใหม่อีกได้ตามเรื่องสองธรรที่เาทำไวจะชื่อมีอย่างไรก็เป็นเรื่องของธัรมที่เจ้าทำไวจะเหงาตอดบกอดชาติใหม่เหนื่อใจจะพึ่งปฏิบัติการอวิภาัญหาภายใน ใจมันจะ้ลงไหไม่นจะจีบข้องในโลกแม้แต่ความสุขความละเอียดขนาดไหนเมื่อใจยังมีเป็นมนุษย์ตัวแท้อย่านี้คือความสุขความละเอียดของใจแต่ยังไม่ทั้งไม่หลุดออกไปจากความสุขความละเอียดอย่างนั้นมันยังติดต่อกันอยู่คือยังมีสถมันขาดทึ้งตันอยู่นี่คือจิต ในขั้งปฏิบัติทาัานทาบทับในจิตของท่านเป็นเมื่อจิตประพฤติปฏิบัติเหยื่อเขอไปที่จยงาเขอไปหลุดเลี่ยงออกไปจากตุ้ษย์ทางเปลืองไม่มีอะไรที่จะเป็นสะพานเหยื่อโยงกันอีกความบริสุทธิ์นั้นเข้าใจมั่นในจิตของตัวจากความบริสุทธิ์นี้ ถ้าเพือไปเจ้าหรือสาววอกถื่อไปที่แผ่นปฏิบัติมาก่อนก็เป็นอย่างนี้เนอ่แต่เพืปฏิบัติไอีกจะดูจะเห็นตจะดูจะเด่นอีกนหมก็เขาจว่ามีอะไรที่จะมีจะเกิดขึ้นอีกถ้าเดมีความดับหนึ่งความดีหนี่ความตปหนึ่งพิ่มจากสนุท้ทั้งสิ้นแตเถือเหลือยหล่อย ไม่ได้ติดข้อในความเป็นหนังเข้าใจตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างใวางหมดตามผ่าผักใช่ไหมนั่นคือใจทองทันคือบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์เป็นมีลดอ่างนั้นพระพุทธเจาเทวเเยพระไณสนจะเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นนักเป็นพลาว่่เอานะพระไณสนจะมีกัน ว่าคนนั้นเมื่อแตกตายทลายขันจะไปยึดทานถึงในเชยนประกาศปิดมาผาแล้แต่ตาโกหกในความบริสุทธิ์ความหมดเจ็บคองใจตัวเองไม่ต้องไปประจักษ์อย่างเราถึงที่สุดลราถึงวยึดถึงยึดทานแต่ความเป็นความเหวีนความรู้ภายในเกิดขึ้นจากการที่ีิจารณา เกิขึ้นจากการปฏิบัติของตัวทราบเองใจใจเองไม่มีอะไรทติจะั้งใส่นี่คือการปฏิบัติใจการเข้าถึงสาแฉะไม่มีอะไรติดบังอ้อมทางไว้เป็นสังขิตจิตเกเห็นเองจัดจัดตังรีเฉพาะมีการมีเวลาว่าการนั้นเป็นอย่างนั้นการนี้เป็นอย่างนี้ เป็นมีนุษยเป็นนีสิทธิ์ที่ทำเสมอต้นเสมอปลายจนแต่ระยะที่เห็นจนกระท 8, ั่งวันภาพแตกขันดับมันไม่มีอะไรที่จะผิดแก่แตก ต, ต, ต่างไปอีกอย่างส ม, มุตอภายนอกมันเป็นอีกอย่างหนึ่งในเรื่องอันนั้นมันมีเป็นอะไรหมันคงสิง่งคงว่าเขาจะพูดถึงว่าคงสิ่งคงว่ามันมีอะไรที่จะสงสัยในสือวีวเห็น นี่้วยการจะทำลมเพื่การปฏิบัติศาสนาความสุขไม่มีอะไรที่จะสุขจะไปเสพยื่งจากความยิ่งความเห็นความเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีทั่วที่ไทยไม่ได้สงสัยไม่ได้เจ้ไขไม่ได้เพิ่มติมมันพอดีพอเหมาะมีอย่าง น, น, น, น, นั้นสมมุดทั่วไปจึงไม่ถอดถึงความเป็นความเห็นของท่านเราทุกคนหนึ่งหนึง่งมาปฏิบัติปฏิบัต ยิ่งตั้งหน้าต่างตาที่วิจัยนะรักษาอย่าไปคิดว่าความสุขบาปทีเกิดจากความเห็นความเหยยดยิ้มจะเกิดขึ้นจากอันนั้นอันนี้ความสุขมันมีอยู่ในจิตในใจของเราไม่ไปอยู่ที่อื่ น, าออ น, านาห า, า, นาความสุขมันอยู่ในที่อื่นคนที่จะหาคนอื่นเขาจะไปพบพบเห็นความสุขในกองมาตุภูตปฏิบัติอักทะให้ลำบาก หานะแต่จะเลี่ยง น, นอกมามายึงรักษานั้นงตัวศกก็ไปเสพพอแล้วนี่ไม่เป็นห่านข น, นสายแต่สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นทอ้อเป็นพิษเป็นนะพับผลจิตใจทั้งตัวคนที่ในนี้ทบทวนถ้าเรบทบทวแล้วก็จะมีความสุขมีความคาิดความคุงนของผิดของใจแต่ใน ไ, ไหนอย่าในบ้าก็ดาาาได้มารีว่าขัด เชืมันจะเป็นทุกอย่างไม่เอานี่มันี่ในเท่าเขาในถึงหลงไหลใส่ฝันอย่หยั่งเขาเคยพูดคนที่มีเท่าของเงินทองก็มือนกันมีหน้า่ใจมันจะติดใจข้อก่อตัเกี่ยวเท่านั้นย่ภายนอกจงไม่เป็นความฝุกที่หนักจริงไปหลงไหลส่ฝันเ็เชือขณะเสือเวลาขีดใจไปยืนมีก็พูดว่า คว่าสมาแต่เมื่อใจเกิดไม่อใจขึ <th> ้นก็เกิดทุกข์เกิดทุขึ้นแตเรื่องของธรรมธรรมสอนของพระพุทธเจ้าคือคื้เห็นคเป็นในธรรมแล้วไม่เป็นอย่างไม่เคยเดือไม่เคยหน่าความสงบเคยเป็นเคยเห็นเคยดีอย่างไรเกิดเมื่อไรไม่เคยเดือเคหน่าความสงบควาสบายภายใน ความปล่อยว า, ทย า, ง, างที่เหลือปัญหาความัความถอนเขื่อนมีต่างๆท่ า, น, น, น, ท า, น, านเห็นยิ่ง้นในเคยเบื่อเบืนายิ่งเห็นยิ่งจนยิ่งจะทันน้ำเทมยิ่งรู้ยิ่งเศ้าใจยิ่งชอบยิ่งผิดในความสุขความสบายเส่มนี้แต่มันติดในเรื่องของธรรมของในเรื่องของธรรมมันมีการเบียอกาน่าย มนอดในธรรมอยู่เป็นเห็นเป็นเป็นเป็นกต่ธรรมนั้นเพิ่เป็นถึงที่สุดยิ่งนิดแล้วก็เหมือนกันเข้าใจชัดในการปฏิบัติขงองตัวว่าไม่มีอะไรในโลกที่จะดีดีเสดไปอีกยิ่งกว่าที่เรารู้เราเห็นใจมันข้าพอมันเห็ น, นเป็นในเต๋าของเตัว มีทางสงสถ้าเราปล่อยใจเอาไว้คิดไปตามเรื่องของกิเลสปัญหาอยากจะไปที่ไหนในคิดถึงว่ามันจะเสียหายอย่างไรก็ไปตามอำเภอใจทั้งตนอยากจะดูอะไรก็ดีไปเดไม่ทราบว่างนั้นจะเกิดทีเกิดทุกข์หรเกิดที่เกิดสงบอย่างไร ไม่ได ah. ้ส่เส so ืที่นี่ที่เจอแม่คนนั้นไม่มีทางที่จะสอนใจทั้งตนต้องหวนใจทั้งตนรักษาใจทั้งตนให้เข้าถึงอาจทำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถึงเข้าถึงก็เข้าถึงไปเกลียดเพราะมันภายนอ้ใจมันจริงใจในานที่จะเข้าถึงจีนเปงานโมเตจีนนอกนอกเห็นแต่จีนนอกก็เป็นเรื่องสำคัญ ขอาสตร์าสนาเนะนมีหลายยางหลายด้านทางสองมนุษย์เป็นคันเดียวแน่เหมือนกันกับตนเรื่องขมันตนกับที่ของมันมีแก่ข้งมันตนสาระวัตถุต น, ค น, ค น, คนสาสนะบุคก็มนสาระธรรมตนเราจะไขคล่อวทีินี้ที่โตมาเราจะเอาแบบไหนจะเอาอะไร ในตัวของเตีในโลกอันนี้ถึงเราจะลงไหลไส่ฝันไปขนาดไหนแสดงหากบกลวยมาก็เพีงแค่นั้นแหละตายไปยนม่มีอะไรผิดต่อหายตามไปได้ไม่ว่ารีกอยากผัวไม่ว่าพี่หรือน้องไม่ว่าบ้านช่องเข้าของอะไรจะปล่อยเอาวทิ้งเอา ม, มีใครหาหามสองผู้โด ไ, ได้ แต่จิตมันเปล่งไหลใส่สันถือวาได้อันนันได้อนี้ีน้ามีตาให้มยมเนชอบมาเป็นคนดีคนยอมย่างนี้อย่านีจิตคือความเล่ไหลของจิตใจที่เม่ไข้จิตในอดในทำโดยหาตั้งแต่ของนอกมาเป็นความสุกความสบางหาเท่าไรมันก็เฉลิมหลังให้เพราะความสุขมีอยู่ กับสิ่งเหล่านั้นนั้นทำกับนหาเลียดจากตหาท่าไรมันก็ไม่เจ๊งเตัมันนีเอะมืหาถุกไม่น่ามัถุกก็ทำงเนียวกันตรนั้นจึงหาผึกในอดในธรรมคือปฏิบัติใจทั้งนตนทัง้งวง้วางชั่วไม่เห็เกิดขึ้นเวทีมอยู่ก็า ส, สามารสางไป พยายามทำจิตทำใจให้เกิดกัฏฐาเชื่อเรื่องใสในอบในทรรมตั้งหน้าตังตาตั้งหนดที่มิจฉาลอศึกษาหย่อนท้องผาดท้งขันปฏิบักเอาใจาใส่ดูแลรักษาใจท้องตนจริที่เชื่อเชี่ยต่างๆพยายามสอน ให้จิตยือให้จิตเข้าใจเพื่อจะได้ปล่อยวางแก้ไขสิ่งที่ชั่วเสียต่างๆให้หลุดให้ตกออกไปให้สงบเย็นใจอย่างไรให้รักษาความสงบเย็นใจอย่างนั้นเอาไว้อย่าไปให้ความสงบความเย็นใจเสื่อนเสียไปนี่คือการรักษาปฏิบัติศาสนาปฏิบัติตายลายายใจทั้งตัว ไม่ได้ไปไปฏักิที่อื่นทำตองท้องพุทธเจ้าเยิมลงมาื่อายสื่ใจไม่ได้มีไปที่อื่นถึงจะมีแต่เินสีธมที่ททดรขมขุ็นนิ่งกคา ม, มาในตาในใจเท่านั้นม่เปันกับตนไม้ถึงจะไปขีอ้อึงจิ้มจิงมใบ น, นก่งโง่แนแต่กับตนไ ม, ม้ตนเยไม่เนม่ยมีกิ้เล็กกิ้ใหญ่ ใออนไบแกหเหลืองใบแห้งเพือบ่ะพิโรนไปนีมีตาขางจะทงานเดียวกันเพื่อตัวแ้บ้างตัวแม่ตต่นันเกิดขีดจากตายใจแถวนั้นพยายามที่ไม่ที่เยมนเห็นฆ่าจรที่มันเชื่อเสียต่างๆที่หมดไปยตายไปเหมือนเราตัดต้ไมในตอนตัดยอด เหยื่อใบที่มันถ่าัดะกุนมันขาดใบมันหินมันก็ตายไปเองมีการท่าใจขักไหลที่เหยือดปัญหาไทยมันกำจัดใจทั้งตัวผีเชื่กอกผีเสียนให้หมดออกไปให้ตกออกไปยังคลางพิษพิดเป็น ต, ต่างๆภายนในมันก็หมดออกไปไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นไข่ถึงดีในโลกก็ไม่ จิตคล่องในโลกตามีฤกนี้ก็มะเป็นที่เป็นไทยแก่กันหูมีเสียงมีก็ะไะมีอะไรที่จะเป็นไทยเป็นเลยจิตทั้งท่านเข้าใจถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมีเพือการปฏิบัติจิตใจทั้งตัวเราจะเอาโอกาสไหนเวลาใดรี้ตายแล้วจึงจะข้าใน้คนอื่นก็าทำยินมาจะเป็นให้ เวลายังมีลมหายใอยู่ในต่างห่างต่างใจรักษาปกติแบบัันจะมีทางผิดทางสบายได้อย่างไรคนตายไปเคยเห็นไหมว่าเขาไปทํายินถิ่นทางรักษาถี่นเดินยกโจภาวนาทิ่นนั้นถิ่นนี้ไม่นี้คนตายไปจะมีอะไรถี่จะเป็นผลเป็นกังไรอาศัยบุญอาศัยบาปที่นเดียวทำไวม ก่อภพก่อชาติเท่านแต่เขาเองตายตีตายไปจะไปสังเวยเขาเงินก่อเป็นเรื่องของมันหน้ที่ของมันจนเปลียดจนเน่าตอย่างไรก็เป็นไปตามเรื่องของมันมีอะไรที่จะดีพิเศษให้เท่นี้นอย่ามีเรื่องในใจอยู่อย่าไปคิดไปจู้เยื่องเน่ามยุดเยี่ยงแขวนแขวนปฏิบัติกายใจทั้งตัว ไรเฉื่อยเป็นนดีนี่คือการสอนของหลวงพ่อไผ่เจ้าสอนพวกเราเรามาบวยเรามาวัดก็มาปฏิบัติใจใส่ไม่เคยมาอยู่วัดเฉ๋อเฉ๋ยวัดชี้เลือดปัญหามันจะไรจะถอนจะตกเฉลวนไปถ้าเป็นอย่างนั้นหรวงพ่อไผ่เจ้าเหนสอนความเพียรเหนือสอนเพือดทนเหนือสอนให้มีสติใหมีปัญญารักษา ตายตายาใจทั้งนเพราะเข้ามาวัดทถนั้นมันโกตะกเล่นกปหมด่องพิเรนต์ปัญหาไม่ต้องพาเพียงพยอะไรใจมันแต่มีวิเศให้จนมีมือหลุดพ้นถ้านป็นย่นั้นท่านผู้ต้องรีสนเอาไว้พราะเขาคนรต้องไปปฏิบัติได้ปฏิบ er ัติงี้เงี้ยยังมีคนฉีเจาะฟังพิเรนต์ปัญหาภายในใจ อยู่ไปก็ตกไปเลื่งไปเรื่องของจิตของใจในเหมือนเรื่องของกายตายนี้มันไม่แน่ที่จะต้อตกตตายทั้งมันมี่วันใดเป็นวันหนึ่งแต่เรื่องของใจนั้นมีวันตายถ้าเรานม่ฆ่าไม่ชำระมันมันจะก่อภพก่อชาดีเรื่อยไปเรื่กงของกายจรงนี่เป็นเรื่องสำคัญถ้าเกับเรื่องของใจเรื่องของใจเหีือวเรา ในรักษา ถ, ถ ai, ึงเวลาตายมันก็หายไปตามโลกเข้ามานั่นหมายถึติดห้องไปสืบพบใหม่แต่โลกทั้งใจนี้กองอาศัยรักษาในรักษาเหล่านี้เวลาที่จะหายยิ่งเจนโลกขี้หนักเกลือยิ่งกว่าโลกทั้งกายตั้งใจพยายามรักษาธระมันจึงไปถึงนกลียดกลือนหนักเกลือัวเกลือเกิดทุกข์ยิ่งยาวตั้งว้น เรียกยาขับไล่ออกไปจากจิตจากใจทั้งตนเรียกาคื้เรียสติเรียกปัญญาในอย่างนั้นมันจะมีวันมีเวลาที่จะหายได้การรักษาใจตรงนี้ใครอื่นที่จะรักษาให้แต่ต้องเตียวห้ตัวเองรักษาตัวท้งตัวคนอื่นรักษาไม่ได้ยาอื่นตรงนี้ทั้งจิดแต่ท่างเล่าสอน ให้ใจหายจากที่หกิดปัญหานอกจากปติปัญญาธรรมะของพุทธเจ้า้มเ็นพาพยายามศึกษาชีวิตจรรยาสม า, าใจทั้งตัว อ, อย่าไปคิดว่านักผลหมดการหมดเวลาต่ที่เกิดปัญหามันทำไมไ่หดก า, ารหมดเวลาทำไมพุทธเจ้าก็ยังนี อเกี่ยวข้องปัญหาสมัยปัจจุบันก็ได้มีเกี่ยวขปัญหาเจ็ดแก่เจ็บตยสมัยพิจารณก็มีสมัยกกนียยกยาากาย้ก็เช่นเดียวกันฉะนั้นเรื่องคำขอท้งเฮีทยใตท้าเป็นอาการริษยเป็นความจริงมีการมีสมัยทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเชื่ามโยงกันไปม่มีอะไรที่จะเสียหายไปพิจารณ์นิพพานโอเคหอบผื่หักหกันย่อ ต่างทั้งโลกมไปยังคที่นิ่เดิมเกิดเ็บเ้ตายเกดปดหลังบังคมีอยู่คือที่ต้งาสออจรนต้องอ้างการอ้างเวลาเพร่ะที่จะปัญหามันมีอยู่เลยกายใจทั้งตูวตารพิจารณาจิพิจารณาเืองนี้ถ้อ้างกานอ้างเวลาฮะเวลานั้นก่อนหาเวลานี้ก่อน มันมีทำกักิเลสที่มันเกิดขึ้นตับใจไม่ต้อหาหายไล้วไมเกิดขึ้นไทุกการทุกเวลาปฏิปัญญาของเราที่จะรักษาจิตใจก็ต้องให็นทันสำนั้นอย่างนั้นจะเสียเปรียบในธรรมกับเรื่องั้งกิเลสเนที่นี่ทุกเย็นน่ะหมือนกหนดรักษาดูอยู่ภายในอย่าปล่อยใจไปเป็นชิดติดข้องเรื่องอันอื่นดูภายใน ตัวทงตัวมีเฉอดีขนาดไหนระยนี้มันอยู่กับอารมณ์อะไรเป็นอับเป็นธรรมนี้เป็นโลกโตัวตาพี่เจนภะายไนาอยู่ถ้ามัทานทีนี้ที่เจนายสละใจท้งตียวเดียอาเดี๋ยวธรอย่างนั้นใจที่เคยวิ่งว่ติดตามตัานาลมต่างๆมันจหดไปตกไปเพราะใจมีหน้านะที่อันเดียว มีมาเกียวข้องกับทางโลกทั้งโลกแล่วก็ทำไได้อย่างคนแข็งยกจับอันนึ่แล้วจะไปะจับอันนงอีกไม่ได้ต้องดูแลที่จะได้มารักษาใจทั้งตัวาตามมาเพราะการเลือดกว่ น, นึ่จากตัวเพศปฏิบัติในตัวของตัวเขาถึงอัถึงทำในใจมีเ ม, เ, มเล่นนาบันเพนอัดเพนทำตัวโตจะต้องเห็น อาจทำในจิตในใจทั้งปวงไม่อย่างนั้นจะเกิดความเเพงสงสัย่เราอาภัพอาวาสะนะปฏิบัติอะไรจนเป้นไปอย่างเขาถ้าเราทำขนาดไหนจึงสงสัยเตืออย่างนั้นถ้าทำตันจริงจังยังหนูไม่เห็นไม่ดีไม่เด่นนั้นก็ควรผิดจะได้งมีนี่มันไม่ทัเทขนาดนะแต่จิตใจิดต่อ ใจตามสัญญาลงดำหนึ่งมีจีรอบจีเชี่ยวมีหมื่นมีแสนมีล้านจะไม่คิดอ่านอัดทำภายในใจมันมีกำลังมากขนาดไห น, หนถ้าหากกำลังทางทำมานน้อยมันไม่เพียงพอต่อจีเรตปัญหาจีเรตปัญหาต่อสัก้่าเรื่รยอยไป ม, มีอะไรที่จะสงบเย็นห้างถ้าเราไักห้า เรื่องทั้งอัดต้องทำจริงจังเราต้องมีหลังที่จะเห็นนักเห็นผลได้พรอมนป็นทั้นต้นแบบทำถือคือเหวนทถาไม่มีอะไรยิเศษเสพกว่าเราเพราะถ้าที่ขันห่างมือกันความต้งใที่จะมาแก้ไขทุกท่านในแต่ละวันเวลาให้เป็นหนักทำจริดีมี่งยิ่เศษบ้าหมนเราก้ะ อยู่เล่นลนนสสื่นมวเมาสอขันไในเย่ยงทั้งโลกแต่เพียบเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในที่ปฏิบัติแต่ใม่ปฏิบัติให้เง็นนิมิตกับคนนั่งเขา้าภาชนะอาหารในรับทานนั่งกินอิม่มจะเบื่ออยู่ขนาดไหนก็เบน่อไเถอะไ่มีอิมมอ่มให้ถ้ า, า, หาแห้งเียเราทานไป นี่เลยหยุดเด็กถอยทางลงไปสู่ปากของเราสู่ท้องของเราความอิ่มเป็นอย่างไรก็อไก่ไปถามคนอื่นแต่เราอิ่มรมั้ยเราจะเป็นซาบโดยตัวของเราเองความอิ่มเป็นอย่างไรนั้นมไปจับมี้ถึงยังนอสี่คนเถื่อไปซาบกันเรื่องการปฏิบัติอัดทำทัสอนทำผู้ใต้บังคัักัน ล้าหน่งนทินติโกนะนศึกษามังจิตตามสมาธิยังเหน็นจิตท่องใจ ค, ความสงบยังเป็นอย่างไรไม่ต้องไปถามคนอื่นความาทุกข์เป็นอย่างไรไม่ไ้ถามคนอื่นพอมันเกิดขึ้นมันเห็นขึ้นมีนเป็นขึ้นจากตัวท่องเตียวถ้าเตี่เห็นเตียว<ะ>ยังไปถามคนอื่นอยู่นั่ก็ไม่ใช่คนเห็นคนยู้มเห็นแล้วรู้แล้วจะไปถามทาไม ไปถามเขาเพื่อไปตอบมิ้งกันก็ที่เราเรื่เราเห็นอยู่นั้นยิ่ง ม, มีอะไรสงสัยในจิตในใจฉะนั้นขอทุกท่านเป็นทีนี้ที่จะมาศึกษาปฏิบัติธรรมะเพื่อแก้ไขทีเหลือปัญหาของตัวความสุขความเจริญที่เราป่าเถนาอนจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของต น, น มีต่อไปแสงหาที่อื่นดูกายดูใจที่จะมาภายในขับไล่สิที่ชื่วที่เสียออกไปรักษาความสงบเยือนยมนิ่งเที่ยงถมจิตโกจะมีความสุขความสบายตามฐานะนาที่ที่เราสมและสอดสางเกตได้นี่การปฏิบัติมีต้องไปปฏิบัติที่อื่นมีต่อไปดูที่อื่น ความสุขเนี่อไปหาที่อื่นถ้าปฏิบัติตามอาาารรถธรรมของรูปใจแล้วความสุขนั้นจะเกิดขึ้นจะเห็นจะเป็นภายในตัวเองฉะนั้นขอทุกท่านเพงหนที่นี้ที่เจนมากำหนดรักษาความมีั้งใจและความเชื่อของใจออกไป ทุกคน็จะมีความฉกความเจริญการอธิบายธรรมะยิ่งมากพอถึงควรถึงเวลาใช้จิตเพีงสิ่